มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้วิเศษเลือดโลกอย่างไรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทําในสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทำให้กับสัตว์โลกทั้งปวงได้ก็คือพาสัตว์โลกทั้งปวงให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ออกจากการเวียนว่ายในสังสารวัฏในตายพบที่มีการเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มาปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้แล้วจะไม่มีใครสามารถจะหลุดออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆจะต้องหลั่งน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นคือจำนวนของภพชาติ ที่สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อให้มาเกิดเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มีความสามารถต่างๆได้รับรางวัลเหรียญทองชนิดต่างๆก็ไม่สามารถที่จะนำตนให้หลุดออก จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้ที่จะนำให้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้และนานๆจะมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง การปรากฏขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ได้เป็นของง่ายดายเพราะนานานจะมีการเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคำว่า น, านานนี้ก็หลายกับหลายกันถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็หลายแสนล้านปีที่จะมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาปรากฏ มานำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือการเวียนว่ายตายเกิดในตใจพบได้แก่รูปภพอรูปภพกามภพนี่คือที่อยู่ของพวกเราพวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่สามภพนี้ มาเป็นเวลาอันยาวนานและจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์และเมื่อพบแล้วก็ต้องเกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เชื่อที่จะนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปปฏิบัติเพราะถ้าเพียงแต่ได้พบได้มีศรัทธาแต่ไม่นำเอาไปปฏิบัติผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องมีการโอกาสได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่า เป็นผู้ที่สามารถสอนให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วมาเชื่อแล้วก็ต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว การหลุดพ้นก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผู้ได้ยินได้ฟังทำแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเกิดอิทธิบาทสี่คือ พลังที่จะผลักดันให้ผู้ศึกษาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านาไปปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีการบรรลุมีการหลุดพ้นตามลำดับขั้นตอน มีระดับสี่ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ตามลำดับเกิด <c oughs> จากการที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> การสั่งเทศฟังธรรมเป็นเหมือนกับเป็นการเติมพลังให้กับจิตใจให้เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดศรัทธาก็จะทำให้เกิดมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติธรรมที่จาเป็นต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือจะเพียรเจริญสติจะเพียรเจริญสมาธิและจะเพียรเจริญปัญญาเพราะนี่คือทาที่จะดึงจิตใจของสัตว์โลกที่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับปัจจุบันนี้ เวลาที่จะส่งยานอาวกาศออกไปสู่ดาวอื่นจำเป็นที่จะต้องมีจรวดที่มีพลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกจึงสามารถที่จะส่งยานอาวกาศให้ทะยานขึ้นสู่อวกาศได้โดยไม่ตกกลับมาบนผิวโลก พ่อมีจรวจที่มีพลังขับดันที่สามารถขับเคลื่อนอยานาวกาศให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของโลกได้นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราค้นพบกันเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้สิ่งต่างๆ ตกลงมาจากที่สูงเช่นผลไม้ทำไมเวลาหลุดออกจากขั้วถึงตกลงมาไม่ลอยขึ้นไปก็มีคนฉลาดมานั่งคิดก็พบว่าต้องมีอะไรดึงดูดให้สิ่งต่างๆนั้นตกลงมาไม่ให้ลอยขึ้นไปก็เลยค้นพบว่าโลกนี้มีแรงดึงดูด เมื่อมีแรงดึงดูดถ้าอยากจะให้สิ่งต่างๆลอยขึ้นไปก็ต้องหาอะไรสร้างแรงผลักดันให้สิ่งที่ที่ต้องการให้ลอยขึ้นไปนะั้นมีกําลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกก็เลยมีการคิดคนวิธีการต่างๆสร้างเครื่องบินต่างๆขึ้นมา ที่มีพลังที่จะอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เพราะมีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกนั่นเองแล้วในที่สุดก็คิดคน้นพบจรวดที่มแรงดึงดูดมีแรงผลักดันที่แรงกว่ากระแสดึงดูดของโลกก็เลยทำให้สามารถส่งยานอวากาศ ไปท่องอวกาศได้ฉันใดการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสู้แรงที่จะส่งให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของสัตว์โลกที่ถูกกระแสดึงดูดของไตรภพนี้ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของไตรภพได้และพลังที่จะผลักดันให้ เกิดให้สามารถดึงจิตใจของสัตว์โลกให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของไตรภพได้ก็คือสติสมาธิและปัญญานี่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถที่จะดึงจิตหรือวิญญาณ ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของตายพบได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบสติสมาธิปัญญาแล้วก็นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอผู้นี้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษา น้อมนำเอาไปปฏิบัติไปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาก็ <im itar gesture> สามารถที่จะส่งดวงจิตให้ดูดออกจากแรงดึงดยของไตรภพบได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เ <Kardash> จ <im itar azione> ็บตายในไตรภพบคือในกามาพบหรือรูปะพบหรืออรูปะพบได้เพราะแรงของ สติสมาธิปัญญามีกำลังแรงกว่าแรงดึงดูดของสิ่งที่ดูดให้จิตใ จ, จติดอยู่กับตายภพนั่นเองแรงดึงดูดที่ดึงให้จิตติดอยู่กับตายภพคืออะไรก็คือกามตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะจะดึงดูดให้จิตใจของสัตว์โลก อยู่ในกามพภพเช่นภพที่พวกเราอยู่กันนี้เป็นกามะภพภพของผู้ที่ยังเสพกามอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพวกเราทุกคนนี่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอารมณ์เพื่อให้ความสุขกับเราความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่แหละ ที่เป็นเหตุทำให้พวกเราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ เ, เกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆเรยพราะเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถเจริญสติสมาธิปัญญา ให้มีมากกว่าแรงดึงดูดของกามะตัญหาได้เราก็จะไม่ต้องมาติดอยู่ในกามาพุนะถ้าเราอนอกจากกามาพุแล้วก็มีแรงดึงดูดของรูปภพนะแรงดึงดูดของรูปภพก็คือภาวะตัญหาความอยากเสพความสุขจากรูปประชาญก็าเรียกว่าภาวะตัญหา ผู้ที่ออกจากกามมพบมักจะไปติดที่รูปภพหรืออรูปภพพอจะต้องอาศัยแรงของรูปภพหรืออรูปภพดึงให้ออกจากกามมพบก่อนด้วยการฝึกสติสมาธินี่องการฝึกสติสมาธิก็จะทําให้จิตนั้นได้ละการเสพกามได้ ละการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทวพะแล้วเปลี่ยนมาเสบรูปประชานหรืออารูปประชานแทนแต่พอมาเสบรูปประชานหรืออารูปประชานก็เกิดความติดพันเกิดความอยากจะเสบก็ยังจะติดอยู่ในรูปภพหรืออารมภพไปจนกว่าจะเห็นด้วยปัญญาว่า รูปภพหรืออรูปภพก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังมาสร้าง ส, สติสมาธิใหม่เพื่อที่จะได้กลับไปสู่รูปภพหรืออรูปภพใหม่ถ้ามีถ้าเห็นด้วยปัญญาว่า การเสพความยินดีในรู ป, ปภพหรืออรู ป, ปภพคือความยินดีในรูปประชานหรืออรูปประชานจะทำให้ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องสละละความยินดีในรูปประชานอารูปประชานไปด้วยกําลังของสติสมาของสติปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นโทษของการติดอยู่ในรู ป, ปภพ ในอรูปภพเพราะเกิดจากความยินดีในรูปประชานและอรูปประชานก็จะสละจะหยุดการความยินดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นเองพอละภาวะตัณหาได้ความยินดีในรูปประชานละวิภวะตัณหาได้ความยินดีในอรูปประชาน จิตก็หลุดออกจากตายพบได้อย่างสมบูรณ์นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งคือพรพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่ในกามภพอยู่แต่อาจะติดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะมีพลังที่ เห็นโทษของการมาติดอยู่ในการมาพบว่าจะต้องทำให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพื่อมาเสพกามอยู่เรื่อยๆก็พยายามที่จะละการเสพกามให้น้อยลงไปตามลำดับจนได้ขั้นที่สองขั้นปะสสกิดาคามีก็จะทำให้การกลับมาเกิดในการมาพบเหลือเพียงพบเดียว แล้วถ้าปฏิบัติต่อไปเพื่อยุติการเสพกา ร, รในทุกรูปแบบได้ก็จะได้ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็จะยุติการกลับมาเกิดในกามภพได้แต่ยังไปติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพพะเกิดความยินดีในรูปฌปานหรืออรูปฌานที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการออกจากกรรมภพนะพอไปติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าความยินดีในรูปภพหรืออรูปภพนี้จะทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะรูปภพหรืออรูปภพนี้เป็นของชั่วคราวไม่ถาวรไม่สงบอย่างถาวร จะต้องเสื่อมเมื่อเสื่อมก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาจเจริญสติจเจริญสมาธิให้เกิดรูปฌปานอรูปฌานขึ้นมาใหม่พอเห็นว่าความยินดีในรูปภพและอรูปภพคือภาวะตันหาและวิภาวะตันหาทำให้จิตยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน การมาพบยุดในใจพบอยู่ก็จะยุติความยินดีด้วยปัญญาเมื่อยุติแล้วแรงดึงดูดที่จะดึงดูดจิตให้มาติดอยู่ในใจพบก็จะหมดไปด้วยกำลังของปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู ว่าตายภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางละความอยากที่เป็นแรงดึงดูดให้จิตต้องมาติดอยู่ในตายภพคือละกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาได้อย่างสมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วก็จะไม่อยู่ในตายภพอีกต่อไป จะไปอยู่นอกตายภพสถานที่ที่อยู่นอกตายภพนี้เรียกว่านิพานนี่พานเป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากการ ม, มาพบไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปภพหรืออารูปรภพบ พระนิพพานมีความสุขที่สมบูรณ์กว่าที่ดีกว่าที่เรียกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทห่งปวงคือรถของพระนิพพานนี้เองเป็นรถที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากกามาพบหรือรูปรพบหรืออารมณ์พบนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการ บัตตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าการจะปฏิบัติได้ก็ต้องเกิดมีศรัทธาเกิดมีฉันทะวิริยะคือความยินดีในธรรมถ้าไม่มีความยินดีในธรรมถึงแม้จะมีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตรัสรู้วิมุติ การดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าไม่มีความยินดีที่จะน้อมนำอาไปปฏิบัติวิมุตติก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าเองหรือได้พบกับพระอาริยสงสากของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าไม่น้อมนำเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติด้วยศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญ า, ามรรคผลนิพพานคือการหลุดออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าผู้ที่ต้องการหลุดพ้นนี้จำเป็นต้องเสริมพลังให้กับตนเอง ไม่มีผู้อื่นมาเสริมพลังให้กับตนเองได้ไม่มีใครมาเสริมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้กับพวกเราได้พวกเราต้องเป็นผู้เสริมผู้สร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีพลังในการดึงจิตใจให้ออกจากแรงดึงดูดของกามาตหา ของภาวะตันหาและวิภาวะตันหานั่นเองนี่คือที่มาของคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติด้วยตนเองพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีความเก่งกามีความสามารถมากมาย ก็ไม่สามารถนำเอาความสามารถเก่งกาของพระองค์มาปฏิบัติให้กับพวกเราได้ถ้าพ ร, พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้พวกเราได้ก็สบายเพียงแต่มีศรัทธาความเชื่อเชื่อพ ร, พระพุทธเจ้าก็ปลุกพลังขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันในขณะที่ฟังธรรมเลย ในสมัยก่อนนั้นพวกที่ฟังทำแล้วเขาหลุดพ้นกันบรรลุธรรมกันก็เพราะว่าขณะที่เขาฟังทำไปเขาก็สร้างทำขึ้นมาตามในขณะที่ฟังเลยหรือทำเขาบางส่วนเขามีอยู่แล้วเช่นครั้งที่ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกให้แก่พระบัญชาวเครียพระบัญชาวเครียก็เป็นผู้ที่ มีศีลที่บริสุทธิ์นะมีสมาธิมีสติสมาธิในระดับรูปฌปานารูปฌปานแล้วเพียงแต่ขาดปัญญาคือการเห็นไตรักในใจพบการเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าจิตใจที่กลับมาติดมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั้น เกิดจากอำนาจของกามาตัญหาภวะตัญหาและวิภาวะตัญหาที่มีอยู่ในจิตใจของตนพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเสร็จปัพบหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากกามาพบในขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันได้เพราะว่าท่านมีพลังเก่าอยู่แล้ว มีสติมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาพอได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะละความอยากในร่างกายของตนได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็ทำให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมเลย แต่ไม่ได้เกิดจากการกระทาของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปทำให้จิตของผู้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแต่ผู้ที่ฟังธรรมนั่นแหละเป็นผู้กระทาจิตของตนเองให้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎของตรายักษนะ์ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามเมื่อมีการเกิดย่อมมีการตายเป็นธรรมดามถ้าไปไม่อยากให้เกิดความตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามถ้าไม่ต้องการจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้สิ่งที่มีการเกิดให้มันดับไปโดยที่ไม่ไปอยากให้มันไม่ดับ จิตก็จะไม่ทุกข์นะจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีทรรมอยู่บางส่วนแล้วสมัยก่อนที่จะมีการตัดสร้ของพระพุทธเจ้านี้ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมได้ในระดับรูปฌปานและอรูปฌปานมีศีลมีสมาธิ แต่ขาดปัญญาปัญญาที่จะส่งให้จิต ด, ดุดออกจากแรงดึงดูดของกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสลโให้เห็นว่าการเวว่าตายพบนี้เป็นไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการยินดีใน การมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเป็นการดึงให้จิตใจต้องกลับมาติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัตรของตายภพเนี่ยถ้าเห็นว่าตายภพนี้เป็นทุกข์ไม่ควรยินดีกับการมาเกิดไม่ควรยินดีกับการเสพการเสพรูปประชานและอรูปประชานก็จะทำให้ ยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุผู้ปฏิบัติธรรมถึงแม้จะได้ศีลได้สมาธิก็ยังหลุดออกจากตายพบไม่ได้ ก็จะไปติดอยู่ในรูปประชานและอรูปประชานไปติดอยู่ในรูปประพบและอรู ป, ประพบและพอแรงของฌานเสื่อมลงก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะมาเติมรูปประชานอารูปประชานใหม่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดจารุอริยสัจสีและไต่หลังที่เห็นเหตุที่ดึงให้จิตจังกลับมาเวียนไหวาตายเกิดคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาและเหตุที่จะยุติการเวียนไหวาตายเกิดยุติกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็คือปัญญา คือเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าการมาพบรูปพบและอรูปพบนี้ถึงแม้จะมีความสุขแต่ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดพอเวลามันเสื่อมมันหมดความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แล้วการกลับมาเกิดก็เข้าตามมาต่อไปเพราะเมื่อความสุขหมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพื่อมาเติมความสุขใหม่ถ้าเห็นเป็นตายรักเห็นว่าเป็นทุกข<ม>์ก็ละกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาได้พอละได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปจิตก็จะอยู่ในนิพพานอยู่กับบรมลมะสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนืกว่าความสุขของไตหลักของไตพ น, นี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสู้แล้วในเบื้องต้นก็อยากจะนำความรู้นี้ไปให้กับผู้ที่สามารถรับความความรู้นี้นำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีก็นึกถึงพระอาจารย์สองรูปที่ได้ไปศึกษารู้ว่าท่านมีศีลที่บริสุทธ มีสมาธิที่แน่วแน่มีรู ป, ปรเข้ารูปปาญญาเข้าอรูปปัญญาได้แต่ก็น่าเสียดายว่าท่านทั้งสองรูปเพิ่งเสียไประยะไม่ไกลไม่ห่างไกลจากกันก็เลยทำให้ไม่ท่านไม่สามารถรับรู้ปัญญาว่าการที่เวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาและการที่จะ หลุดออกจากการเวียนว่าตายเกิดได้ต้องรู้รู้อริยสัจ ส, สี่รู้ตจลักนั่นเองอก็เลยเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าท่านจะทั้งสองรูกจะไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างรูปปรจานสร้างอารูปปัชานใหม่ แล้วก็จะเวียนว่าตายเกิดอยู่แบบนั้นต่อไปจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้แต่สําหรับพวกที่ยังไม่ตายคือพระปัญจวคีเนี่ยพอพระพุทธเจ้านึกถึงพระปัญจวคีก็เลยทรงมุ่งไปโปรดพระปัญจวคีเป็นอันดับต่อไปเอ พอได้แสดงทำให้กับพระปัญจวัคคีสองสามครั้งทั้งพระปัญจวัคคีทั้งห้ารูปก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้กลายเป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าที่จะนำเอาความรู้อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้พอหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้แยกกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อที่จะนำเอาธรรมมันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเพระาะศาสนาจึงเกิดการเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำให้มีผู้มีศรัทธา ที่อยากจะามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมีจำนวนเป็นจานวนมากเพราะเกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติจากการบรรลุธรรมแล้วหลังจากบรรลุธรรมแล้วก็นำเอาธรรมที่ได้บรรลุไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้อื่ก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้นําออกไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมกันมาเป็นอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของพวกเราจึงยังอยู่ในโลกนี้มาได้แต่ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการเผยแผ่ธรรมอย่างต่อเนื่องก็จะมี ศาสนาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราได้ศึกษาดูประวัติของผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วมันก็ทำให้เราคิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากเย็นตรงไหนเพราะผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมก็เป็นคนปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเรานี้ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ามีความสนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังเพราะมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่อยากจะศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังไม่มีความหวาดกลัวยังคิดว่าความแก่ความเจ็บความตาย เป็นเหมือนสุนัขที่น่ารักอย่างน่าเล่นกับมันอยู่แต่หารู้ไม่ว่าพอไปเล่นกับมันนิดเดียวจะถูกมันกัดเอาถูกมันกัดตายเนีถ้าเรายังเห็นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะไม่มีความกระเตือหรือร้นที่จะหาทางออกจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย แต่สำหรับผู้ที่เห็นพิษเห็นภัยของความแก่ความเจ็บความตายจะไม่อยากจะกลับมาเกิดเมื่อเกิดความไม่อยากเมื่อไม่อยากจะกลับมาเกิดก็จะเกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้วหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเลิกทำภารกิจอะไรต่างๆที่เคยทำอยู่เพราะเมื่อได้เปรียบเทียบถึงผลที่จะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วนี้ผลที่ได้รับนี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผลที่เราได้รับจากการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทภาต่างๆนี้เป็นความสุข เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเมื่อเปรียบกับความสุขที่จะได้รับจากวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาเปรียบเทียบมาพิจารณาเพื่อที่จะได้เห็นว่าทางที่เรากำลังไปอยู่นี้มันได้อะไรบ้างแล้วทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราไปนี้ จะได้อะไรบ้างเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วทั้งผลดีผลเสียเราก็จะเลือกทางของพระพุทธเจ้าว่าทางของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ผลดีผลเสียไม่มีผลเสียก็มีตอนที่เราต้องเลิกเราต้องเปลี่ยนทางใหม่เราเสียทางเก่าไปแต่เมื่อเราเห็นทางเก่ามันก็เป็นทางของความทุกข์เราจะไปเสียดายทำไม ถ้าเรายังเดินอยู่ในทางของลาบยศจรลเสรินสุขอยู่ mm. ก็เท่ากับเรากำลังเดินเข้าหากองทุกนั่นเองเพราะต่อไปร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแล้วหลังจากตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่่อยเรื่อยนี่คือสิ่งที่เราจะเสียไปถ้าเราเปลี่ยนการเดินทางของเรา เลิกเดินทางตามลาบยศรเสรสุขแล้วหันมาเดินทางตามทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินนถ้าเรามีความเชื่อมั่นและเรามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะดุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้มันก็จะมีพลังผลักดันให้เรา ปฏิบัติตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างอย่างดีอย่างชอบที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย <c oughs> ทางของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัตินี้ก็มีแบ่งเป็นสองช่องทางเหมือนกับถนนทางหลวงที่ก็มีแบ่งเป็นสองช่องทาง สำหรับรถที่วิ่งเร็วกับรถที่วิ่งช้าวิ่งช้าก็ให้วิ่งเลนซ้ายรถวิ่งเร็วก็ให้วิ่งเลนขวาทางสู่พระนิพพานทางสู่หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีแบ่งเป็นสองช่องทางสำหรับผู้ที่ยังมีความสามารถน้อยกับผู้ที่มีความสามารถมาก ผู้ที่มีความสามารถน้อยยังมีภาระผูกพันกับบุคคลต่างๆกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ให้อยู่ไปทางเลนซ้ายก่อนคือทางของทานศีลภาวนาสำหรับผู้ที่ดัดภาระต่างๆได้เป็นอิสระสามารถไปปฏิบัติได้ไปบวชได้ก็ให้วิ่งทางช่องขวา คือช่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทางสูพ่พระนิพพานนี้มีแบ่งเป็นสองช่องญาโยมาจะถามว่าทำไมต้องเป็นทานศีลภาวนาทําไมต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาความจริงเป็นทางเดียวกันแต่ศีลสมาธิปัญญานี้เป็นช่องเร็วเพราะว่าไม่มีภาระลุงหลังเหมือนกับช่องของทานศีลภาวนา ช่องของฐานศีลนี้ยังมีภาระลุงลังคือมีทรัพย์สมบัติมีเข้าวของมีบริษัทบริวารอะไรอยู่ที่ยังสลัดยังละไม่ได้ยังตัดไม่ได้ก็ต้องไปช่องทางของฐานศีลภาวนาก่อนแต่สําหรับผู้ที่สละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสละครอบครัวได้ก็สามารถไปช่องทางเร็ว คือช่องของศีลสมาธิปัญญาช่องของศีลสมาธิปัญญาก็คือช่องของนักบวชนี่ส่วนช่องของทานศีลภาวนาคือช่องของผู้ของเรือนคารวะนี่คารวาดอยัางของเรือนอยู่อย่างหาเงินหาทองอยังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ให้เอาเงินทองที่ไปใช้กับความสุขต่างๆมาใช้กับการ หลุดพ้นจากกองทุกข์ดีกว่าคือเอามาทำบุญทำทาน น, นี่คือมรรคเหมือนกันมรรคคือทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แบ่งไว้เป็นสองระดับระดับของผู้เริ่มต้นนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคารวา์ทั้งนั้นเป็นผู้กองเลื่อนที่ยังมีภาระ ผูกพันกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับครอบครัวกับบุคคลต่างๆอยู่ยังไม่สามารถไปบวชได้ก็ต้องให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาไปก่อนคือเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือทานให้ทําบุญทําทานให้เอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆมาเป็นซื้อบุญกุศลแทนเพราะถ้าเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆ ก็จะทำให้ติดกับการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องเลิกใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเลิกซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอาเงินนี้มาซื้อบุญซื้อกุศลคือความสุขทางใจแทนแล้วจะทำให้ต่อไปก็จะได้ เ, เลิกหาความสุขจากลาบยศ สรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้พอเลิกแล้วก็สามารถเปลี่ยนช่องทางจากทานศีลภาวนาไปสู่ช่องศีลสมาธิปัญญาได้เพราะว่าไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องคอยรักษาคอยหาคอยใช้แล้วพอเลิกพอเห็นว่ามันเป็นการ ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบนี่เองแต่ในเบื้องต้นก็ต้องถ้ายังไม่สามารถไปบวชได้ยังเป็นผู้ของเรือนอยู่ก็ลองเอาเงินทองที่จะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่งเฟยเอาไปกินเอาไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี้เอาเอาไปทำบุญแทนแล้วจะทำให้เลิก การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุถัมภะได้พอไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงปุถัมภะได้ก็ไปบวชได้ที่ยังไปบวชกันไม่ได้ก็เพราะยังติดหนังติดละครติดอาหารเย็นติดงานเลี้ยงงานมันเกิดคนนั้นงานมันเกิดคนนี้ยังติดที่จะไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ก็เลยไปบวชไม่ได้ ฉะนั้นต้องเลิกสิ่งเหล่านี้ก่อนเลิกการหาความสุขในรูปแบบเหล่านี้ด้วยการเอาเงินเอาทองไปทำบุญการทาบุญก็ได้ความสุขเหมือนกันนะ่าดีกว่าความสุขที่ไดจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าและสามารถเอาติดไปกับใจได้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่ม เป็นความสุขของยาเสพติดเนี่ยเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่พอเวลามันหมดความทุกข์ก็จะเข้ามาเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคานใจแลอเกิดความทุกข์ทรมานใจจนถึงกลับจะคิดฆ่าตัวตายกันคนที่คิดฆ่าตัวตายกันก็เพราะว่าไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ ภ, ภาได้นั่นเอง คือคนที่ล้มละลายไม่มีเงินทองหรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการคนที่มีโรคร้ายรักษาไม่หายเนี่ยคนพวกนี้เมื่อไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตามที่เคยหาได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีมีแต่ความทุกข์ทรมานใจก็จะคิดฆ่าตัวตายกัน นี่แต่ถ้าคนเอาเงินไปทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเลิกเที่ยวเลิกกินเลิกเดิมนี่จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเวลาที่ไม่สามารถไปทำบุญได้เพราะบุญนี้ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับการไปเที่ยวการไปกินไปเดิมไปดูไปฟังอะไรต่างๆนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่าง การทําบุญการหาความสุขจากการทําบุญกับการหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปเดิมไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วจะทําเป็นประโยชน์การทําบุญเป็นประโยชน์เพราะจะทําให้เลิกติดทเที่ยวติดกินติดเดิมได้ก็จะทําให้ไปบวชได้ พราะผู้ไปบวชนี้จะไม่กินไม่ดืม่มไม่เที่ยวตามความอยากจะกินจะดืม่มเฉพาะเวลาที่จําเป็นคือเวลาที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองเพราะผูดไปบวชนี้อย่างน้อยต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศีลแปดถ้าเป็นสัมมณีนก็ถือศีลสิบ ถ้าเป็นภิกษุก็ถือศีลสองรอยิบเจ็ดเนี่ยเป็นศีลที่จะทำให้มีเวลาในการที่จะไปเจริญสติสมาธิและปัญญาตามลำดับต่อไปนั่นเองเนี่อันนี้คือทางสู่การหลุดพ้นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแยกสอนระหว่างคารวาดกับพระภิกษุ ถ้าคารวะผู้คองเรือนก็จะสอนให้ทำทานแล้วก็ให้รักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกสมถภาวนาก็คือสมาธิขั้นที่สองวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญานั่นเองก็เหมือนกันเหมือนกับนัก บ, บวชก็มีศีลสมาธิปัญญาผู้คองเรือนก็มี ขัน้นได้มีทานมีศีล ม, มีสมาธิมีปัญญา ừ, ก็ต่างกันตรงที่ทานเท่านั้นเองเพราะว่านักบวชนี้ก่อนไปบวชเขาก็ทำทานจนหมดแล้วเขามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอยมั่งน้อยเขาก็ยกให้คนอื่นไป ừ, เพราะเขาไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเขาต้องการใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุข ว่าเป็นความสุขแบบหลุดพ้นจากความทุกข์นต่แต่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้ายังใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็จะเป็นความสุขแบบที่จะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้เป็นทางเดียวกันแบ่งเป็นช่องช่องซ้ายช่องขวา ถ้ารถวิ่งช้าก็ไปช่องซ้ายถ้าเป็นคาราวาสผู้ของเรือนก็ไปทานศีลภาวนาก่อนแล้วเดี๋ยวพอสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้หมดก็สามารถเปลี่ยนช่องอยากช่อง ซ, ซ้ายไปช่องขวาได้คือไปช่องของศีลสมาธิปัญญาได้ต่อไปเพราะส่วนมากในการบําเพ็ญในการปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มักจะต้องเริ่มจากการเป็นคารวะก่อนไม่มีใครมาเกิดแล้วมาบวชได้เลยยกเว้นคนที่มีบารมีเก่าเช่นบางคนนี่พอเป็นเด็กก็พ่อแม่ก็จับไปบวชเนได้เลยอยู่วัดตั้งแต่เป็นเด็กหลวงปู่ม่นนี่ท่านก็บวชเป็นเนนตั้งแต่เป็นเด็กสมเด็จพญานสังวรท่านก็บวชเป็นเนร พวกเหล่านี้เขามีบารมีเก่าเขามีบุญเก่าเขาได้เคยสร้างศีลสมาธิปัญญามาในอดีตชาติแล้วพอเขาให้ถูกจับไปอยู่วัดเขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกอยากจะขอสึกแต่อย่างใดเขาก็อยู่ได้เพราะเขาเคยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเคยอดข้าวเย็นไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็เลยไม่มีความรู้สึกที่จะอยากจะสึกกัน แต่คนที่ยังมีกามาตัณหาอยู่นี่คนที่ไม่มีบา ร, รมีเดิมนี่ให้ไปบวชก็อย่างมากก็ได้แค่สามเดือนนะเดี๋ยวนี้สามเดือนยังไม่ถึงเหลือแค่เดือนเดียวบ้างบางทีก็เจ็ดวันเดี๋ยวนี้บางทีก็บวชเช้าสึกเย็นบวชหน้าไฟแสดงพวกนี้ไม่มีบา ร, รมีเลยไม่มีบุญเก่าเลย แต่นั้นทุกคนจะต้องเริ่มจากการเป็นคารวาสก่อนเมื่อเป็นการคารวาสก็ต้องรู้จักการใช้เงินทองอย่าใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆว่ามันเป็นการทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั เราก็ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มาเกิดเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ไปหาเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อของที่เราอยากจะซื้อกันแล้วก็ต้องมาเจอความทุกเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายตายไปก็กลับมาเกิดใหม่อีก ดังนั้นเราต้องเลิกใช้เงินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก่อนเพราะเมื่อเราเลิกได้แล้วเราก็จะรักษาศีลแปดได้ไปบวชได้เพราะเราจะได้เพราะเราไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถึงแม้ว่ายังมีความอยากอ ย, กอยู่แต่เราก็มีกําลังพอที่จ ะ, ะสู้กับมันได้ถึงแม้ไม่สามารถกําจัดมันได้อย่างถาวร อย่างน้อยเราก็ใช้ฐานนี่เป็นเครื่องเบรกมันแล้วพอเราไม่เดือดร้อนกับการที่จะไปถือศีลแปดเราก็จะได้ไปบวชกันได้ตอนต้นก็อาจจะบวชชั่วคราวก่อนเป็นค า, าววาก็บวชวันพระวันพระก็ไปอยู่วัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปถือศีลแปด เพื่อจะได้มีเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาด้วยการศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนจากการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเกิดจากการอ่านหนังสือธรรมะหรือเกิดจากการเอาธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วมาพิพพจารณาให้เกิดความกระจ่างเกิดความเข้าใจให้มากขึ้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาก็ ตอนต้นก็อาจจะทําแบบไปเช้าเย็นกลับหรือไปครั้งคืนหนึ่งคืนในวันพระต่อไปถ้าเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่ามันดีกว่าการไปเสพกามก็อาจจะเพิ่มการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวันเอยิ่งปฏิบัติมากยิ่งเห็นผลมากยิ่งเกิดความอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไป เดี๋ยวต่อไปก็จะไปอยู่ยาวๆเลยอยู่ที่เจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างสามเดือนบ้างในช่วงเก้าพรรษาแล้วต่อไปก็อาจจะไม่กลับบ้านเลยขออยู่วัดไปตลอดดีกว่าเพราะไม่วุ่นวายพอกลับบ้านทีไรโอเจอแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆเขามารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาต่อไปก็จะเปลี่ยนช่องทางได้จากช่องซ้ายไปช่องขวาจากท่องช่อง ทานศีลภาวนาไปเป็นช่องศีลสมาธิปัญญาได้ก็ดูประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก่อนที่ท่านจะไปเป็นไปบวชกันท่านก็เป็นคารวะผู้ของเรือนกันไปทําบุญไปฟังเทศฟังธรรมในวันพระตอนต้นก็ไปเช้าเย็นกับต่อไปก็ไปค้างคืนไปอยู่ไปปฏิบัติหลังจากนั้นก็อยู่เพิ่มมากขึ้นไปไปอยู่เป็นระยะยาวขึ้นสามวันห้าวันเจ็ดวัน แล้วต่อไปพอรู้ว่าอยู่ได้แล้วทีนี้ก็ไม่กลับบ้านเลยบวชเลยพอบวชแล้วปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเนี่ยอย่างประวัติของพระอาจารย์พรมที่หลวงตาเขียนไว้ในปฏิปทาหนังสือปฏิปทาท่านก็เป็นคารวะเป็นสามีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีที่ดา่าแต่เป็นคนฐานะดีมีไร่นาอยู่หลายไร่ หลแปลงมีสมบัติมีบ้านเรือนมีวัวควายมีอะไรพอหลังจากที่ท่านทั้งสองพร้อมที่จะออกบวชท่านก็บอกให้ชาวบ้านมารับสมบัติต่างๆเหล่านี้ไปได้เพราะท่านไม่มีบุตรไม่มีที่ดา่าใครอยากจะได้วัวควายก็มาเอาไปใครอยากจะได้ไร่นาก็เอาไปพอท่าน บ่อยจากหมดแล้วทำทานได้เต็มที่แล้วทีก็ไม่มีอะไรพลุงพลังไปตัวเปล่าๆท่านก็ไปบวชแล้วก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นภรรยาก็ไปบวชเป็นชีแล้วท่านไม่ช้าก็เร็วไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาตามประวัติที่หลวงตาท่านเขียนไว้นนี่คือวิถีทางของการดำเนิน ทางตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำจากน้อยไปหามากทำไปตามกำลังที่เราไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับถ้ายัางไปถือศีลแปดไม่ได้ก็ถือศีลห้าก่อนมาฟังเทศตังธรรมเดือนละครั้งก่อนแล้วต่อไปก็ เราถือศีลแปดมาฟังเทศสังธรรมแล้วก็ถือศีลแปดด้วยเย็นนี้ไม่กินข้าวต่อไปก็มาค้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วต่อไปก็อาจจะค้างสามคืนห้าคืนได้เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะใบบวชได้ต้องมีขั้นตอนต้องมีเป้าหมายอย่าทำแบบยืนกับที่กี่ปีกีป่ปีก็ทำแบบเดิม ถืออาทิตย์เดือนนึงมาเดือนนึงมาฟังเทศครั้งหนึ่งแล้วก็พอไม่เคยคิดเพิ่มเงินเดือนให้กับตนเองเลยไอ้ที่เวลาทํางานนี่ขอก็เพิ่มเงินเดือนละเกินอยากจะได้เพิ่มได้เพิ่มแต่เวลาเวลาปฏิบัติธรรมนี่ไม่เคยคิดเพิ่มธรรมะให้กับตนเลยขอธรรมะที่มีอยู่เท่าเดิมมากน้อยละเกินสันโดษละเกินแต่สําหรับเรื่องเงินทองนี้ไม่ยอมมากน้อยสันโดษ อยากได้มากๆอยากได้เงินเดือนมากๆอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปถ้าไปอยากทางโลกมันก็มันก็ไปการไปเพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นเราต้องมาอยากทางธรรมกันถึงยาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องอยากฟังธรรมให้บ่อยขึ้นเมื่อก่อนนี้เดือนละครั้งเพิ่นเป็นเดือนละสองครั้งสองครั้งเป็นสามครั้งสี่ครั้ง พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังธรรมตามการตามเวลาการเวลาก็คือวันพระนี่วันวันพระคือวันธรรมะสวธรมรมะสวนังคำว่าธรมรมะสวังก็คือวันฟังธรรมเนี่ยยเพระพุทธเจ้ากําหนดวันพระขึ้นมาเพื่อให้เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาคําสั่งคําสอนพอเมื่อได้ฟังได้ศึกษาแล้วจะเกิดฉันทะวิริยะเกิดศรัทธาขึ้นมาอยากที่จะปฏิบัติเนี่ย ถ้าปฏิบัติเยอะแล้วก็อยากจะปฏิบัติให้เพิ่มให้มากขึ้นอันนี้เป็นการกระตุน้นการปฏิบัติของเราให้มีกำลังมากขึ้นให้ก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองด้วยการอาศัยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย สมัยนี้ไม่ต้องมาวัดก็ได้เรามีหนังสือธรรมะก็อ่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็อ่านได้ดีกว่าไปอ่านหนังสื อ, อแฟชั่นต่างๆหนังสือท่องเที่ยวหรือหนังสือการบ้านการเมืองอ่านแล้วก็ปวดหัวอ่านแล้วก็วุ่นวายใจอ่านหนังสือธรรมะสบายใจเย็นใจสุขใจแล้วก็ มีกำลังที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้ต้องมีขั้นตอนของการดำเนินการต้องมีการตั้งเป้ามีการผลักดันถ้าไม่มีมันก็จะปฏิบัติแบบเช้าชามเย็นชามไปต้องมีมีการวางแผนว่าเดือนนี้จะปฏิบัติเท่าไหร่เดือนหน้าจะปฏิบัติเท่าไหร่จะต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเท่าไหร่ เพิ่มทีละร้อยละสิบละยี่สิบขึ้นไปมันถึงจะมีการก้าวหน้านถ้าไม่มีการกําหนดมีตารางบังคับเนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะใจมันไม่อยากจะไปทางธรรมเพราะแรงดึงดูดของกิเลสมันยังมีมากอยู่แรงดึงดูดมันพยายามดึงใจให้กลับมาทางโลกอยู่เรื่อยๆเราเลยต้องใช้อาศัยการกําหนดตาราง เห็นไม่เห็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเขายังมีตารางเรียนกันถ้าปล่อยให้เรียนตามสมัครใจนักเรียนก็ไม่เข้าห้องเรียนกันหรอกถ้าให้เลือกระหว่างไปเที่ยวไปเล่นได้สนามกับไปเข้าห้องเรียนนี่เด็กมันก็จะเลือกแต่เล่นอย่างเดียวทางโรงเรียนเลยต้องมีกําหนดตารางสอนตารางเรียนถึงเวลาปุ๊บต้องเข้าห้องเรียนนี่คือวิถีทางของผู้ปฏิบัติ ถ้าต้องการปฏิบัติให้มีการคืบหน้าไม่ใช่ยืนอยู่กับที่กี่ปีกี่เดือนก็อยู่ที่เดิมอยู่ก็ต้องมีการกําหนดตารางของการปฏิบัติขึ้นมาว่าวันนี้จะเดินโยมกลม ก, ลกลี่ชั่วโมงจะนั่งสมาธิกี่ชัว่วโมงจะฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะกี่ชัว่วโมงต้องมีการกําหนดแล้วเพิ่มขึ้นไปตามลำดับพอตั้งเป้าแรกได้แล้วก็เพิ่มต่อไป พอได้เป้าที่สองแล้วก็เพิ่มต่อไปเป็นเป้าที่สามเดี๋ยวมันก็จะสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเองเมื่อได้มีการปฏิบัติเต็มร้อยแล้วผลมันก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องสามารถบรรลุ ธ, ธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนอ น, นี่คือ เรื่องของการที่เรามีเวลาว่างในวันนี้แล้วมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวิเศษอย่างไรถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอกาสที่พวกเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะไม่มีเลย ดังนั้นเมื่อเราได้พบโอกาสอันประเสริฐนี้แล้วอย่าปล่อยให้โอกาสอันประเสริฐนี้หลุดมือไปพยายามรีบคว้ามาให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ด้วยการนำเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลกันอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเกวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัปปติอิชิี่ตังปทิ่ตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปะนาราโสยธามณิโชติหาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโคลวนัสตุมาเตภวะโตอันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโน จตารธรรมวทานติอายุวันโอสุขังพาล่าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 อามนามัสการเจ้าค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์มีห้าร้อยสาสิบแปดท่านเจ้าค่ะยูทูบสามร้อยสสิบเจ็ดท่านวิทยุออนไลน์สี่ท่านผู้รับฟังบนเข่าสามร้อยหนึ่งท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งรอยเก้าสิบท่านเจ้าค่ะ ถ้าใครมีคำถามอยากจะถามอะไรเชิญถามได้เลยครับกลับน้มัสการพระอาจารย์ครับถ้าสิทธิ์เป็นคนถ้าสิทธิ์ต้องอยู่ไกลพ่อแม่ครูอาจารย์หรือไม่มีโอกาสได้รายงานสภาวธรรมบ่อยๆอยากจะทราบว่ามีวิธีที่จะพิจารณาการปฏิบัติของตัวเองอย่างไรครับว่ายังอยู่ในแนวทาง ที่ถูกต้องหรือเปล่าครับก um> ็เดี๋ว่าเรายังรักษาศีลอยู่หรือเปล่าเรายังฝึกสมาธิเดินโยมโกลมนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่ายังพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายหรือเปล่ายังพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายหรือเปล่ายังเรามียังมีความโลภความโกรธความหลงมากน้อยเพียงไรอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดของการปฏิบัติของเรา ใจเราสงบใจเราเย็นค ว, ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงก็แสดงว่าเราก้าวหน้าเอยากก้าวหน้าได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างสม่ําเสมอเราไม่ต้องรายงานก็ได้เพียงแต่คอยฟังเทศฟังธรรมไปอยู่เรื่อยๆเพราะการฟังธรรมมันก็จะเป็นการเตินใจเราให้เราอยู่ในร่องในรอยอยู่แล้วเอ สมัยนี้ติดตามสดได้หรือดูย้อนหลังได้หรืออ่านหนังสือฟังซีดีได้เนี่ยฉันขอให้มันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะไม่หลงทางอขอบพระคุณครับ <S 1> <S 1> เพราะการฟังธรรมก็เป็นเหมือนการดูแผนที่นั่นเองถ้าเราคอยดูแผนที่เรื่อยๆเราก็จะได้รู้ว่าเราไปนอกลูกนอกทางหรือเปล่าเดี๋ยวมีชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่น อ, อ Do you want to ask any question at this time? Okay. ค่ะมีคําถามจากยู u ูบนะคะเป็นคําถามจากครูฝากถามโยมเดินจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงมีสติกํากับจิตมั่นรู้และกล้าและส่วนของเท้าที่แตะพื้นอย่างอัตโนมัติ วันหนึ่งตาเนื้อเห็นเท้าและลำแข้งของตัวเองเป็นกระดูกจิตสลดเองแต่โยมไม่ได้หยุดพิจารณาค่ะเช่นนี้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะก็ถูกการปฏิบัติก็เพื่อประโยชน์สองอย่างเพื่อมีสติให้เกิดความสงบหรือเพื่อให้มีปัญญาถ้าเห็นกระดูกเห็นอวัยวะของร่างกายก็ แสดงว่าเกิดปัญญาพยายามเจริญต่อไปพยายามเมาเจริญต่ออย่ารอให้มันเกิดขึ้นมาเองต้องหมั่นนึกถึงอาการ32ในร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นร่างกายของใครก็ให้นึกถึงอาการ32ของเขาเราจะทำให้ใจไม่ลุ่มไม่หลงไม่ไปรักใครคำถามต่อไปจากคุณเชรินทิพมณีเรียนถามครับ พิจารณาขันท่าลงสู่ไตรลักษณ์สำหรับข้อวิญญาณขันมีความไม่เที่ยงคือการรับรู้และก็จบไปในทุกๆเรื่องมีทุกบ้างสุขบ้างเราห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาพิจารณาเช่นนี้ถูกต้องไหมครับพิจารณาเพื่อให้เราละความอยากในสิ่งเหล่านี้ คือไม่ไปอยากเวลาได้สัมผัสกับสิ่งที่เราชอบก็อย่าไปอยากได้เวลาสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็อย่าไปอยากหนีให้รู้เฉยๆให้ใจเป็นกลางปล่อยวางเพราะเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้แต่เราควบคุมใจของเราให้นิ่งเฉยได้ไม่ให้ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาได้ คำถามจากเฟ e b o ๊ k นะคะจากคุณเพชรน้ำหนึ่งขอโอกาสครับเห็นใครทาบุญก็อนุโมทนาสาธุถึงเป็นคนที่เคยโกรธก็ตามและชักชวนคนที่ชอบเราและคนที่ไม่ชอบเราชวนใส่บาตร ท, ทาบุญเสมอถือเป็นการเจริญเมตตาที่ถูกต้องและสมบูรณ์หรือเปล่าครับก็เป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งการเจริญเมตตาก็มีหลายวิธีด้วยกันการทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขการไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาการไม่เบียดเบียนกันการให้อภัยกันก็มีหลายลักษณะด้วยกันของการให้ความเมตตาคำถามจาก y o u t u ู e จากคุณโซนนะคะ กราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะโยมรบกวนถามเขาว่าเมื่อปฏิบัติถึงฌานสี่แล้วทุกคนจะต้องยกจิตเข้าสู่วิปัสนาโดยการพิจารณาอสุภกรรมฐานทางนี้ทางเดียวใช่ไหมคะจึงจะพัฒนาขึ้นสูงขึ้นต่อไปได้ขอบพระคุณค่ะอ๋อการพอเข้าถึงฌานสีแล้วเรายังไม่ยกจิตขึ้นวิปัสนา เราประครับประคองจิตให้อยู่ในฌานสี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้นิ่งให้นานให้มีอุเบกขามากๆแล้วเวลาจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเราค่อยมายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาใจรักในร่างกายในขันห้า ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องรอให้ออกจากฌานสี่ก่อนออกมาจากสมาธิพอเริ่มคิดปุงแต่งแล้วก็ให้คิดปุงแต่งไปในทางไตหลักให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองเป็นส่วนประกอบร่างกาย ทำด้วยทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนในร่างกายให้คิดบ่อยๆจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมเพราะต่อไปเวลาเกิดเวลาจะไปยึดไปติดเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยากจะให้มันหายก็ต้องปัญญาก็จะมาบอกว่าอยากไม่ได้มันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเรามีหน้าที่รักษามันก็รักษาไปได้เท่านั้น ถ้ามันไม่หายมันจะตายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของอนิจจังเรื่องของอนัตตาไปแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเรามีปัญญาเพราะเราจะปล่อยวางคำถามจากคุณวรเชษยั่มไทยครับขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับเวลาจิตที่สงบมีความสุขความกโกรธก็ไม่มี ความโลภ ก, ก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีจิตที่สงบแบบนี้เรียกว่าจิตว่างจากกิเลสหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับก็ว่างแบบชั่วคราวถ้าว่างแบบสมาธินี้กิเลสยังไม่ตายเพียงแต่กิเลสหยุดทำงานเพราะจิตหยุดทำงานเพราะจิตสงบกิเลสก็ทำงานไม่ได้ แต่พอหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเริ่มคิดเรื่องราวต่างๆความโลภความโกรธความหลงก็จะฟื้นกลับขึ้นมาต่อไปถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวร น, นีต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดพิจารณาสิ่งที่เราโลภว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะละความโลภได้ต่อไปเราก็จะไม่โลภอีกต่อไปต้องละด้วยปัญญาถึงจะละได้อย่างถาวร ทาระด้วยสมาธิก็รับได้ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิคำถามต่อไปนะคะจาก YouTube จากคุณไพทูนะคะการถือิ่งที่เป็นศีลพัตตประมาามีลักษณะอย่างไรครับอ๋อคำว่าศีลพัตตปรมาานี้แปลว่าการรูปคำศีล คือยังไม่มั่นใจว่าศีลนี้ดีจริงหรือไม่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจหรือไม่อย่างไรเรียกว่ารูปคําเมื่อไม่มีความมั่นใจถ้าเกิดมีอะไรมาล่อใจก็อาจจะทําผิดศีลได้เช่นเจอของที่เราลักเราอยากได้ความอยากได้นี้อาจจะทําให้เราต้องไปทําผิดศีลขึ้นมาเราก็จะกล้าทําเพราะเรายังไม่เห็นอนิสง์ผลของการรักษาศีลว่า ถ้าไปทำบาปแล้วเราจะต้องไปทุกข์เราจะต้องไปรับผลบาปในอบายต่อไปผู้ที่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการไม่รักษาศีลแล้วก็จะไม่กล้าทำบาปจะรักษาศีลอย่างมั่นคงพระอริยบุคคลท่านละศีลัะพัฒณปรามาทได้เพราะท่านเห็นผลที่จะเกิดจากการไปทำบาปที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจ ท่านก็เลยไม่กล้าทำบาปท่านก็จะแล้วรักษาศีลตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณทัศนัยค่ะอยากลดละเลิกดื่มสุลาแต่ด้วยหน้าที่การงานและรับรองเจ้านาย <c oughs> จึงจำเป็นต้องดื่มจะมีวิธีหลีกเลี่ยงได้อย่างไรบ้างครับ ก็เปลี่ยนงานก็แล้วกันถ้าอยากจะเลิกจริงๆก็หางานใหม่เอาคำถามสุดท้ายนะค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าเราทำสมาธิจนเข้าฌานได้แล้วก็ความสุขใจที่เกิดเป็นความนิ่งของใจความเบาอกเบาใจเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกนะ มันจะเกิดขึ้นเวลาที่จิตสงบมันไม่ต้องไปถามใครมือนกินข้าวเวลาอิ่มไปถามคนว่านตอนนี้ผมอิ่มหรือยังมันอิ่มมันเป็นสันทิโกมันจะรู้เองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นดะงนั้นต้องไปปฏิบัติดูพอจิตมันนิ่งมาสงบแล้วมันก็จะร้องอ๋อเป็นอย่างนี้เองจิตที่สงบนัตติสันติบาังสุขขังเป็นอย่างนี้เอง ขอให้ปฏิบัติกันแล้วกันแล้วพอผลเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครจะไม่มีวันสงสัยเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ